ตอนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จจากพวกเราไปชาวพุทธก็มีความเศร้าโศกเสียใจมีความรู้สึกว่าชาว้าเวจะไม่มีาศาสดามาคอยสั่งคอยสอนพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดปราบใจว่าพ ว, พวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากาศาสดา เพราะว่าผู้ที่จะมาทาหน้าที่แทนศาสดาก็คือพระธรรมคสาสั่งคำสอนที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละถ้าอยากจะเข้าหาพระพุทธเจ้าก็ให้เข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจดจําบันทึกและรวบรวม เอาไว้ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกคือพระคำพีที่บันทึกพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมวันละสามถึงสี่รอบตอนบ่ายก็ทรงสอนศรัทธาญาติโยม ตอนค่ำก็สอนภิกษุภิกษุณีตอนดึกก็สอนเทวดาตอนเช้าก่อนเสด็จออกบินธบาตก็ทรงแรงยานดูว่าจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นคำสอนเหล่านี้ทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงจะมีพระคอยจดจำแล้วก็มีการถ่ายทอดกันมา จากปากจากปากหนึ่งไปสู่อีกปากหนึ่งมาจนถึงในยุคที่มีการบันทึกเก็บไว้ในหนังสือจึงมีการทำหนังสือขึ้นมาบันทึกคำสั่งคำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในพระในพระคัมภีร์ ที่มีชื่อว่าพระไตรปิฎกคำว่าไตรปิฎกก็คือตะก้าสามใบไตรแปลว่าสามปิฎกแปลว่าตะก้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีหลายหลายแง่หลา ย, ายมุมก็มีการจัดแบ่งไว้เป็นส่วนส่วน แบ่งไว้เป็นสามส่วนด้วยกันใส่ไว้ในสามตะกร้าเปรียบเหมือนผลไม้ส้มก็เอาไว้ตะกร้าหนึ่งเงาะก็เอาไว้ตะกร้าหนึ่งมังคุดก็ไว้อีกตะกร้าหนึ่งเป็นผลไม้เหมือนกันแต่มีคุณสมบัติไม่เหมือนกันก็เลยแยกเอาไว้พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็นธรรมะคำสอนให้ปฏิบัติเป็นคนดีให้มีความสุขความเจริญแต่มีเรื่องราวหรือมีคุณลักษณะที่ต่างกันเลยแบ่งไว้เป็นสามหมวดสามตะก้าด้วยกันตะก้าที่หนึ่งรือพระปิฎกที่หนึ่งเรียกว่าพระวินัยปิฎก พระวินัยนี้คือศีลของพระภิกษุแล ะ, ะภิกษุณีเป็นการเอาเรื่องของศีลของพระภิกษุภิกษุณีมารวมกันไว้ในพระวินัยปิดอกมีการเล่าถึงเหตุการณ์ว่าอะไรเกิดขึ้นจึงทําให้เกิดมีศีลข้อต่างๆขึ้นมาอันนี้เรียกว่าพระวินัยปิดอก ตะกที่สองเรียกว่าพระสุดันสุดันตะปิดกคือการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าตามสถานที่ต่างๆตามเวลาต่างๆจะมีการบอกว่าทรงประทับอยู่ที่ไหนทรงแสดงธรรมให้กับใครมีเกมีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวข้องกับการแสดงธรรมในวันนั้นอันนี้เป็นเรื่อง เป็นเรื่องเป็นราวเรียกว่าพระสูตรตันตะเปดกทุกครั้งที่ทรงแสดงก็เรียกว่าพระสูตรหนึ่งพระสูตรเช่นการแสดงทำครั้งแรกก็ทรงมีบอกวันเวลาว่าเป็นวันเพ็ญเดือนแปดวันอาสารหาบูชาพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่ป่าเอศิปะตานะ มลกทายวันมีพระบรรจาวัคีห้ารูปนั่งฟังธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นธรรมครั้งแรกเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ชาวโลกชาวโลกนี้ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมมาก่อนเพราะไม่มีพระพุทธเจ้าเมมามาสั่งมาสอน อันนี้เป็นครั้งแรกของการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องอริยสัจสีมรรคแปดหลังจากที่ทรงแสดงเสร็จก็มีผู้บรรลุธรรมขึ้นมาหนึ่งรูปคือพระอั ญ, ญานโกนทัญญาอันนี้เรียกว่าพระสูตรเนี่ยมันจุไว้ในพระสูตรตันตะปิดกจะมี มีเกี่ยวกับธรรมที่ทรงสแสดงไว้บอกเวลาบอกวันบอกสถานที่บอกบุคคลที่มาฟังธรรมว่าเป็นใครนะวาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมทุกวันแต่พระ อ, องค์ทรงไม่ได้ประทับอยู่ที่เดียวเสมอไปพระ อ, องค์ทรงย้ายที่ไปเรื่อยๆ เ, เพื่อที่จะได้นำเอาธรรมนี้ไปเผยแผ่เหมือนกับสมัยก่อน ในเมืองไทยนี่จะมีพวกขายยาจะมีหนังกางแปลงก็จะไปตามหมู่บ้านต่างๆเคืนนี้ก็ไปตำบล น, นี้เคื่อนพวกนี้ก็ไปอีกตำบลหนึ่งเอาหนังไปฉายเอายาไปขายพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนคนขายยาเนี่ยยาที่พระพุทธเจ้าขายก็คือธรรมโอสถเนี่ยธรรมนี่เราเรียกว่าธรรมโอสดเป็นยา อย่ารักษาใจใจของพวกเราตอนนี้ไม่สบายกันไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเราเอาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาปฏิบัติก็เหมือนกับเราเอายามากินพอเราได้กินยาแล้วเดี๋ยวความไม่สบายใจก็จะหายไปนี่คือพระสูตร พสุดตันตปิฎกส่วนตระก้าที่สท่านเรียกว่าพระอภิธรรมปิฎกอภิธรมรมอภิแปลว่าธรรมชั้นสูงหรือชั้นธรรมธรรมที่เป็นธรรมล้วนๆเรียกว่าอภิธรรมคืออันนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานที่หรือเวลาเป็นการรวบรวมธรรมะ ที่พระเจ้าเนื้อหาของธรรมอย่างเดียวเช่นอริยสัจสี่มรรคแปดสติปัทานสี่อิทธิบาทสี่พรหมวิหารสี่ใสิกขาศีลสมาธิปัญญาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นวิชาการเป็นธรรมะล้วนๆไม่มีเหตุการณ์ไม่มี สถานที่อะไรมาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้บรรจุไว้ในพระอภิธรรมปิดกตะก้าที่สามเราจึงมีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แยกไว้เป็นสามกลุ่มสามหมวดด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของพระภิกษุภิกษุณีเกี่ยวกับเรื่องศีลของพระภิกษุภิกษุณีว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เช่นศีลข้อที่หนึ่งเกิดขึ้นได้ยังไงศีลของพระในระยะในระยะแรกๆที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ขอพระพุทธเจ้าบวชเป็นพระภิกษุนี้พระภิกษุเหมือนกับพระพุทธเจ้าพวกนี้เขามีจิตที่สะอาดบริสุทธ ไม่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงจิตของเขาเลยเป็นจิตที่ไม่ได้ทำอะไรให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียกับผู้อื่นหรือกับตนเองเนยุคแรกๆจึงไม่มีศีลพระพุทธเจ้าไม่ได้กําหนดศีลขึ้นมาของพระเพราะพระที่มาบวชเป็นพระอาหารหันต์ทั้งนั้นเป็นผู้ที่ มีความประพฤติสวยงามดีงามไม่มีที่ตำหนิติเตียนไม่มีข้อบกพร่องอันใดจึงไม่มีการกำกำหนดข้อบังคับขึ้นมาเพราะว่าผู้ปฏิบัติไม่ได้ทำอะไรให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นหรือกับพระศาสนาแต่ต่อมามีผู้ที่ได้ยินได้ฟังธทม ธรรมของพระพุทธเจ้าได้เผยแผ่กว้างไกลออกไปและผู้ที่ฟังธรรมยังไม่ได้บรรลุธรรมยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แต่มีศรัทธาอยากจะบวชเป็นพระก็ขอบวชกันพระพุทธเจ้าก็รับบวชให้ใครอยากจะมาบวชมากาบพระพุทธเจ้าก็ให้เตรียมอัตถบริขารให้กนศีรษะ น, นุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วก็มีอัถบริขารคือมีบาตรมีจีวรมีอะไรต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของพระพอมาขอบวชพระพุทธเจ้าก็ส่งบอกว่าเอหิพิกุจงมาพระจงเป็นจงมาเป็นภิกษุเถิดนี่คือเป็นการประกาศบอกว่าเธอได้เป็นพระภิกษุแล้ว การบวชยุกแรกแรกนี้ง่ายมากพระพุทธเจ้าเป็นคนบวชให้คนที่จะมาขอบวชก็เพียงแต่กล่าวคําขอว่าขอบวชเป็นพระภิกษุพระพุทธเจ้าก็ต้อนรับว่าออ่ดีแล้วมาเป็นภิกษุเถิดเรียกว่าเอหิเอหิภิกขุสัมปทาแต่พระพวกนี้ที่มาบวชนี้ ยังมีกิเลสอยู่ยังมีความโลภความอยากต่างๆอยู่แล้วพอมีเหตุการณ์ที่มาล่อให้เกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกก็ทำไปโดยไม่รู้ว่าผิดหรือถูกมักจะคิดว่าถูกแต่พอทำไปแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาในภายหลังพอเกิดปัญหาขึ้นมาก็มีคนมา กราบทูลพระพุทธเจ้าให้ช่วยพิจารนาว่าการกระทาแบบนี้สมควรต่อเพศของพระหรือไม่เช่นยกตัวอย่างสีลข้อที่หนึ่งของพระที่เรียกว่าปาราชิกข้อที่หนึ่งถ้าใครทาแล้วจะต้องขาดจากการเป็นพระคืออะไรคือการร่วมหลับนอนกับสีกา ในในยุคนั้นยังไม่มีข้อห้ามอันนี้มีพระรูปหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีเคยมีภรรยาแต่ไม่มีลูกแล้วก็มาบวชเป็นพระเลิกกับภรรยาแต่พ่อแม่ น, นี้มีสมบัติไม่รู้จะมอบให้กับใครจึงอยากได้หลานก็เลยมาขอ ร้องให้พระลูกชายไปร่วมหลับนอนกับอดีตภรรยาเพื่อที่จะได้มีหลานออกมามารับมรดกพระก็คิดว่าเป็นการกระทำประโยชน์ให้กับบิดามารดาก็เลยไปร่วมหลับนอนกับภรรยาจนภรรยาตั้งท้องขึ้นมา แต่หลังจากนั้นก็มีความรู้สึกไม่สบายใจก็เลยต้องไปถามพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างนี้ถูกต้องไหมพระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาก็ตอบว่าเป็นพระไม่ควรที่จะไปร่วมหลับนอนกับใครก็เลยตั้งข้อห้ามขึ้นมาตั้งศีลขึ้นมาตั้งวินัยของพระขึ้นมาข้อที่หนึ่งทรง ห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกับสีกากับเพศผู้หญิงอันนี้พอห้ามแล้วถ้าใครละเมิดก็จะถือว่าขาดจากการเป็นพระทันทีแต่ต่อมาก็มีพระรูปอื่นก็รู้ว่าห้ามเพียงแต่ไม่ให้เสพร่วมหลับนอนกับผู้หญิงแต่ไม่ได้ห้ามให้เสพร่วมหลับนอนกับลิง ก็ไปหลับนอนกับลิงก็มีก็ต้องมีการมาห้ามอีกว่านอกจากผู้หญิงแล้วสัตว์เดรัจฉานก็ห้ามเสพด้วยห้ามร่วมหลับนอนกับสัตว์เดรัจฉานนี่คือที่มาของศีลต่างๆของพระต่อมาก็มีพระรูปนั้นทำผิดไปฆ่ามนุษย์นี้ ก, ก็สั่งห้ามไม่ให้ทำใบรักทรัพย์ก็สั่งห้ามไม่ให้ทำใบอวดคนวิเศษที่ไม่มีในตนเองก็สั่งห้ามไม่ให้ทำจนมีศีลปรากฏขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆจนเวลาที่พระพุทธเจ้าจะตายไปนี่มีศีลของพระอยู่สองรอยี่สิบเจข้อด้วยกันเกิดจากการกระทาผิดของพระ ที่ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกทำไปเพราะคิดว่าไม่ผิดไม่เสียหายแต่พอมีชาวบ้านเขาไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ส่งพิจารณาแล้วก็ส่งบัญญัติข้อห้ามขึ้นมา <Yeah. S 1> ถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ถึงทุกวันนี้คิดว่าศีลของพระนี้จะมีมากยิ่งกว่าสอง้อยี่บเจ็ดเนี่เพราะมีญาติโยมนี้บน่นเรื่องพระเยอะมากขึ้นทุกวันทุกวั น, น แต่ไ ม, asure, да ไม่มีใครมีอำนาจที่จะมากำหนดศีลข้อต่างๆขึ้นมาได้ก็เลยปล่อยให้การกระทำของพระนี้ไม่สวยงามเป็นที่ตำหนิติเตียนของชาวบ้านถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ถึงวันนี้คิดว่าศีลน่ยจะขึ้นไปเป็นพันนะ ศีลของพระ อ, อาจจะเป็นพันข้อห้ามต่างๆนี้อาจจะเป็นพันก็ได้แต่เนื่องจากไม่มีพระพุทธเจ้ามาห้ามมากำหนดศีลก็เลยหยุดที่สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อส่วนของภิกษุณีนี้ก็มีความผิดมากกว่า พ, าพระภิกษุณีมีถึงสามร้อยสิบเอ็ดข้อภิกษุณีนี้แสดงว่าสนมากกว่าพระ ผู้หญิงนี่สนมากกว่าผู้ชายมาบวชแล้วก็ไปทำอะไรที่ไม่ไม่สวยงามไม่น่าดูหรือเกิดความเสียหายกับตนเองหรือกับศาสนาก็เลยมีการบังคับข้อห้ามเพิ่มเติมของภิกษุณีเลยมีส1 1ข้อโสิบอดข้อด้วยกันเรื่องราวเหล่านี้ใครอยากจะศึกษาสามารถไปศึกษาคนได้ใน พระวินัยปิดกเนี่ยเีสมัยนี้เรามีมือถือตอนนี้อยากจะอ่านอยากจะรู้พระวินัยปิดกศีนของพระสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อมีอะไรบ้างศีนของพิกษุนีมีสาม้อยสิบเอ็ดข้อมีอะไรบ้างและที่มาที่ไปของศีนแต่ละข้อเกิดขึ้นได้อย่างไรก็สามารถค้นได้ในพระวินัยปิดกอกเนี่ยเขียนก็ไปในมือถือเลย เนอหรือสั่งได้ถ้ามันฟังฟ่งภาษาไทยได้ก็บอกหาวินัยปิดกให้หน่อยสิเดี๋ยวมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้อ่านได้ น, นี่คือเรื่องของพระไ ต, ตรปิฎกตากาตากาที่หนึ่งมันจุเรื่องของวินยัยเรื่องของศีลของพระไว้ทั้งพระภิกษุและพระภิกษุณีส่วนข้อที่ ตกาอันที่สองนี้ก็บรรจุพระสูตรต่างๆพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตามสถานที่ต่างๆตามเวลาตา่างๆเราจรึงสามารถที่จะามาเรียบเรียงประวัติของพระพุทธเจ้าได้ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีหลังจากที่ได้ส่งตัศรุ ได้ไปพำนักอยู่ที่ไหนอยู่เมืองไหนได้ทรงแสดงทมอะไรไว้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในช่วงนั้นมีบรรจุไว้ในพัสดุตันตะปิดกการแสดงธรรมครั้งแรกให้พระปัญจวัคคีย์ในป่าให้สิปตนะการการมีพระภิกษุหนึ่งพันสองรห้าิรูปพาาระอรหันต์หนึ่งพันสองรอห้าิรูป มาประชุมร่วมกันในวันมาค้าบูชา เ, เหตุการณ์เหล่านี้มีบันทึกไว้ในพระสุตรตันตะปิฎกถ้าอยากจะรู้เหตุการณ์ต่างๆของพระพุทธศาสนาก็ค้นหาได้ในพระสุตตันตะปิฎกหรือถ้าอยากจะรู้ว่า45พรรษาของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนบ้างก็ค้นได้ พรรษาที่หนึ่งอยู่ที่ไหนพรรษาที่สองพักอยู่ที่ไหนทําอะไรแสดงทําอะไรมีเหตุการณ์สําคัญอะไรเกิดขึ้นในช่วงนั้นระยะนั้นเวลานั้นมีบรรจุไว้ในพระสุดตันต์ปิฎกถ้าไปหาในพระอภิธรรมจะไม่มีไปหาในพระวินัยก็ไม่มีต้องหาในพระสุดตันต์ปิฎก ถึงจะเจอเหตุการณ์ต่างๆตลอดระยะเวลา45พันศาของการเป็นพระบรมศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไปถ้าอยากจะค้นหาธรรมะล้วนๆไม่ต้องการอ่านเรื่องเหตุการณ์หรือสถานที่ต่างๆก็เข้าไปในพระอภิธรรมปิดก อยากจะหาอยากจะอ่านเรื่องอริยสัจสีอยากจะอา่ออานเรื่องสติปัฏฐานเรื่องภมวิหารสี่มงคลสามสิบแปดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถค้นหาได้ในพระอภิธรรมปิดอกนี่คือเรื่องของพระบมศาสดาตัวแทนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าบอกว่าพวกเธอจะไม่ได้อยู่ป่าสะจากศาสดาเพราะธรรมที่เราตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละคือจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้และได้บรรจุบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้เองที่เป็นพระพุทธเจ้าของพวกเราในปัจจุบันนี้ถึงแม้เราจะอยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าระยะทางเป็น หลายหมื่นหลายแสนกิโลเวลาเป็นหลายพันปีด้วยกันแต่เรายังสามารถเข้าถึงตัวพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราเข้าหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าตัวเรานี้อยู่ในคําสอนคําสอนคือตัวเราผู้ใดเห็นคําสอนผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่จะเห็นตถาคตต้องเห็นคําสอน ต่อให้เกาะชายผ้าเหลืองต่อให้อยู่ใกล้สามารถจับชายผ้าเหลืองได้แต่ถ้าไม่ฟังธรรมไม่สนใจที่จะศึกษาธรรมก็เหมือนกับไม่ได้อยู่กับใกล้กับพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้แต่ผ้าเหลืองแต่ไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้าตัวพระพุทธเจ้านี้อยู่ที่พระธรรมคำสอน ตอ น, นี้ถึงแม้พระพุทธเจ้าจะจากเราไปถึง 2,500 กว่าปีแล้วเอเรายังสามารถเข้าถึงตัวพระพุทธเจ้าได้อยู่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้เลยเหมือนกับได้เฝ้าพระพุทธเจ้าขออ่านพระธรรมคําสอนปั๊บนี้เหมือนกับพระองค์กําลังแสดงธรรมให้กับเราโดยตรงเลยดังนั้นพวกเราเป็นชาวพุทธเนี่ยควรจะ รู้จักว่าพระพระไตยปิดกนี้เป็นอะไรอย่างไรส่วนใหญ่ชาวพุทธเรามักจะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรมากนะรู้เพียงแต่ทําบุญใส่บาตรรักษาศีลห้าไหว้พระสวดมนต์แต่อะไรมากไปกว่านั้นไม่รู้เรื่องรู้ราวฉนั้นถ้าอยากจะเป็นชาวพุทธที่ฉลาดชาวพุทธที่มี ความสามารถก็ควรที่จะศึกษาพระไตรปิฎกกันควรจะหาเวลามาลองอ่านพระไตรปิฎกกันบ้างสมัยนี้ง่ายเพราะพระไตรปิฎกมีการแปลเป็นภาษาไทยสมัยก่อนนี้ถ้าอ่านภาษาบาลีไม่ได้ก็อ่านพระไตรปิฎกไม่ได้เพราะ ภาษาเดิมของพระไตรปิฎกก็คือภาษาบาลีต้องไปเรียนบาลีก่อนเช่นพระที่มาบวชนี้ที่ไปเรียนปะเรียนหนึ่งถึงปะเรียนเก้านี้คือไปเรียนภาษาบาลีนี่เหมือนกับไปเรียนภาษาอังกฤษนอ่านจากอ่านหนังสือภาษาอังกฤษก็ต้องไปเรียนภาษาอังกฤษถึงจะสามารถอ่านหนังสือที่มีภาษาอังกฤษได้ อันนี้ก็เหมือนกันผู้ที่อยากจะอ่านพระไตรปิฎกสมัยก่อนสมัยที่ไม่มีการแปลมาเป็นภาษาไทยก็ต้องไปอ่านต้องไปเรียนภาษาบาลีก่อนเมื่อเรียนภาษาบาลีแล้วก็จะสามารถอ่านพระไตรปิฎกได้อ่านพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าได้แต่สมัยนี้มีการแปลภาษาบาลีไปเป็นภาษาหลายภาษาด้วยกัน ภาษาอังกฤษก็มีภาษาเยอรมันก็มีภาษาไทยก็มีฉนั้นสมัยนี้คนจะเข้าถึงพระพุทธเจ้านี้เข้าถึงได้ง่ายได้มากขึ้นกว่าเดิมการได้เข้าถึงพระพุทธเจ้านี้มีประโยชน์มากเพราะว่าคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่ เป็นเหมือนแสงสว่างของชีวิตนชีวิตของพวกเรานี้ตอนนี้เวลาที่ไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นเหมือน อ, อยู่เดินอยู่ในที่มืดเนที่มืดเพราะว่าตาของพวกเราถูกความหลงปิดเอาไว้ถูกความโง่คือวิชา ปิดบังเอาไว้จึงทําให้เราไม่มองมองไม่เห็นเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราเราสิ่งที่เราเห็นนี้มันเป็นเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยคือเรื่องของเรื่องของร่างกายเนี่ยเราเห็นร่างกายเราเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เห็นต้นไม้เห็นภูเขาเห็นทะเลเห็นฟ้า เห็นข้าวของต่างๆที่มนุษย์เราผลิตกันขึ้นมาเห็นทรัพย์สินต่างๆเห็นอะไรต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเราเลยเรื่องของเรานี้เรากลับมองไม่เห็นกันเรื่องของเราคืออะไรเราคือใครเรายังไม่รู้เลยเนี่ยแสดงว่าเรามืดบอดแล้ว ถ้าเราตอบคำถามนี้ไม่ได้ว่าเราคือใครถ้าเราตอบว่าเราเป็นร่างกายก็สอบตกแล้วผิดแล้วเพราะร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราถ้าเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมมาเปิดความมืดบอดที่ปิดบังใจของเรา พอเราได้อ่านธรรมะได้ศึกษาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจใจคือใครใจก็คือผู้รู้ผู้คิดนี่เองผู้ที่กำลังรู้ว่ากำลังฟังอะไรอยู่นี่แหละคือใจแต่ผู้ที่รับเสียงเข้ามานี้คือร่างกาย ร่างกายมีหูร่างกายรับเสียงได้แต่ใจนี้ไม่มีหูไม่สามารถรับเสียงได้ต้องอาศัยร่างกายเป็นสื่อเป็นผู้รับเสียงแล้วใจก็จะมีผู้รับเสียงนี้ส่งไปให้ที่ใจอีกทีหนึง่งผู้ที่รับเสียงส่งไปให้ที่ใจนี้คือกระแสการรับรู้ของใจ ที่ใจส่งมาเกาะติดอยู่ที่หูนี่เองพอมีเสียงมากระทบกับหูผู้ที่กระแสของการรับรู้ก็จะส่งเสียงนี้ให้กับใจผู้รู้อีกทอดหนึ่งใจถึงรู้เสียงได้เพราะว่ามีมีหูไว้รับเสียงแล้วมีกระแสของการรับรู้ของใจ ที่เรียกว่าวิญญาณเนี่ยวิญญาณรับรู้เสียงเข้ามาเป็นผู้เป็นเหมือนสื่อที่รับเอาเสียงที่เข้ามาทางหูส่งไปให้ที่ใจอีกทีหนึ่งใจไม่ได้อยู่ในร่างกายเนใจอยู่อีกที่หนึ่งอยู่อีกโลกหนึ่งโลกทิพย์คือที่อยู่ของใจใจนี้เป็นกายทิพย์เนีย มีหูทิพย์มีตาทิพย์เนแต่หูทิพย์นี้มองได้แต่สิ่งที่มีอยู่ในโลกทิพย์ได้ยินสิ่งที่มีอยู่ในโลกทิพย์สิ่งที่มีอยู่ในโลกของร่างกายนี้ได้ยินไม่ได้ต้องอาศัยร่างกายเป็นผู้รับเสียงให้อีกทีหนึ่งถ้าไม่มีร่างกายใจก็ไม่สามารถที่จะ รับรู้เสียงที่มีอยู่ในโลกนี้ได้นี่ยกตัวอย่างให้ฟังถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมคาสอนแล้วเราก็เหมือนกับได้เปิดเอาสิ่งที่ปิดบังตาตาของเราออกไปตาของเรานี้ไม่ใช่ตาของร่างกายคนตาตากันตาร่างกายมองได้แต่เสียมองแต่รูปหรือหูก็ได้รับแต่เสียงตา ตาของใจนี้จะมองเห็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกทิพย์ในโลกทิพย์นี้ก็มีดวงวิญญาณชนิดต่างๆใจเองก็เป็นดวงวิญญาณหนึ่งดวงนอกจากใจแล้วก็มีใจของพวกเราทุกคนที่อยู่ในโลกทิพย์นี้เหมือนกันนี่คือยกตัวอย่างให้ฟังว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ มีความสำคัญมีคุณค่ามากกับเรามากน้อยเพียงไรเพราะถ้าเราไม่มีคำสอนเราจะไม่รู้จักตัวเราเองว่าเราเป็นใครและเรากำลังอยู่ในสภาพไหนเราอยู่ในสภาพของผู้ที่มีความสุขมีอิสระภาพหรือว่าเราเป็นผู้ที่อยู่ แบบนักโทษอยู่ในเรือนจำอันนี้เราก็จะไม่รู้เพราะเราจะคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วเราสามารถหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายได้แต่เราก็รู้ว่าพอร่างกายตายไปเราก็ตายไปกับร่างกายด้วยเราจะคิดอย่างนี้กันถ้าเราไม่ได้มา เรียนรู้จากพระพุทธศาสนาเราจะไม่เชื่อว่ามีหลังจากที่ตายไปแล้วเรายังต้องไปรับผลบุญผลบาปอีกอเพราะเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเมื่อเราเป็นร่างกายเวลาร่างกายตายไปใครจะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปใครจะไปสวรรค์ใครจะไปนรกอ ม, มองไม่เห็นไม่รู้ เพราะว่าเราคิดว่าเราเป็นร่างกายร่างกายเป็นผู้ทำบุญทำบาปพอร่างกายตายไปร่างกายก็ไม่สามารถไปรับผลบุญผลบาปได้ก็อาจจะทำให้ไม่เชื่อเรื่องสวรรค์เรื่องนรกก็จะไม่มีความพยายามที่จะทำบุญะจะไม่มีความพยายามที่จะไม่ทำบาป พอเราไม่ทำบุญเราไปทำบาปทีนี้ผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปนี้มันมีจริงๆแต่เรามองไม่เห็นมันเท่านั้นเองคือเรามองไม่เห็นใจตัวเราเนี้ยคือใจตัวที่จะเป็นดวงวิญญาณต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วไอ้ตัวนี้แหละที่จะไปรับผลบุญผลบาป แต่เนื่องจากว่าดวงวิญญาณมันไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายมันเพียงแต่มีความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ได้หายไปไม่ได้ตายไปกับร่างกายไอ้ตัวที่มีความรู้สึกนึกคิดนี่แหละที่จะไปรับผลบุญผลบาปผลบุญก็คือไปรับความรู้สึกที่เป็นสุขนั่นเองผลบาปก็คือการไปรับ ความรู้สึกที่เป็นทุกข์นี้เองทำบาปแล้วจะสร้างความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาภายในใจทำบุญแล้วก็จะทำให้เกิดความรู้สึกสุขขึ้นมาภายในใจนี่แหละผู้มีผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดนี่แหละเป็นผู้ที่จะไปสวรรค์หรือไปนรกต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องยากต่อการที่จะพิสูจน์ได้ เพราะมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตานั่นเองถ้าของที่เรามองเห็นด้วยตาเราก็ยังพอที่จะพิสูจน์ได้ถ้าเขาบอกว่ามีของอยู่ตรงนู้นให้ไปโดนให้เดินไปหาดูพอเดินไปหาดูเดี๋ยวก็เจอของที่เขาบอกแต่ให้เรามาหาตัวเรานี่มันหายากเพราะมันไม่มีรูปร่างหน้าตา เหมือนกับข้าวของที่เราไปหากันแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่สุดวิสัยสำหรับพวกเราที่จะค้นหาให้เจอได้แต่เราต้องเจอคนที่ค้นหาตัวเราได้พบแล้วก่อนคนที่ได้ค้นพบตัวเราได้ค้นพบผู้รู้สึกนึกคิดนี้คือพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้จักวิธีที่จะ เข้าหาตัวเราค้นพบตัวเราว่าเราเป็นใครอยู่ตรงไหน yeah. แต่ถ้าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าแล้วนี่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละจะพาให้เราได้เข้ามาพบกับตัวของเราเองให้เราให้เราได้เห็นหน้าตาของตัวของเราเองว่าเป็นอย่างไรให้เราเห็นว่าเวลาที่เราทำบุญแล้วเราจะไปไหนเวลาเราทำบาปแล้วเราจะไปไหน yeah. เวลาที่เราไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้จากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวหรือถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ต้องเรียนจากตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรม ร, ะธรมคาสอนที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกนี้เอง หรือเรียนจากภาสาวกของพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวก e ผู้ที่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระไตรปิฎกจนมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาคือสามารถเอาสิ่งที่ปิดบังตาของของตนเองให้ อ, ออกไปทำให้เห็นตัวของตนเองทำให้เห็นให้เห็นใจให้เห็นผู้รู้ผู้คิด ว่าเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนเนี่ยเราโชคดีชาตินี้เราได้มาพบกับผู้รู้คือพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกหรือคำสอนของพระอริยสงสาวกทั้งที่มีชีวิตอยู่และทั้งที่จากพวกเราไปแล้ว คำสอนต่างๆเหล่านี้แหละที่จะเป็นที่จะบอกวิธีให้เราได้รู้จักตัวเราว่าเราเป็นใครเรากำลังอยู่ในสถานภาพอันใดและเราจะแก้ปัญหาของสถานภาพของเราได้อย่างไรถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราจะรู้ว่าเหล่านี้เป็นเหมือนนักนักนักโทษที่ถูก ถูกสารตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตเนี่ยเชื่อไหมว่าเรากำลังเป็นนักโทษกันเราถูกสารถูกสารพิพากษาให้เราติดคุกตลอดจำคุกตลอดชีวิตใครคือสารใครคือผู้พิพากษาก็คือโมหะอวิชานี่แหละ กิเลสตัณหานี่แหละคือผู้ที่พี่ปากษาเราความหลงความไม่รู้ว่าเราเป็นใครความหลงความไม่รู้ว่าการกระทําของเรานี้พาให้เราต้องมาติดคุกติดตารางกันความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่แหละเป็นตัวที่พี่ปากษาให้พวกเรามาถูกจําคุกตลอดชีวิตคุกที่พวกเราอยู่นี่ มีกำแพงอยู่สี่ด้านธรรมดาที่กักขังนี้เขาจะมีที่มีกำแพงอยู่สี่ด้านด้วยกันคุกตารางของพวกเราคือคือกำแพงด้านที่หนึ่งคือเรียกว่าเกิดกำแพงด้านที่สองเรียกว่าแก่กำแพงด้านที่สามเรียกว่าเจ็บกำแพงด้านที่สี่เรียกว่าตาย นี่แหละคือคุกตารางของพวกเราที่พวกเราหลงมาติดกันอยู่อย่างยาวนานโดยที่ไม่รู้สึกเลยว่าเราได้ติดคุกกันเราคิดว่าเรามาเกิดแล้วมาหาความสุขมาเที่ยวมาทําอะไรกันมาได้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองได้ยศได้ตําแหน่งได้รางวัลได้ดูได้ฟังได้อะไรกัน เรากำลังคิดว่าเราเนี่ยกำลังมีความสุขกันเพราะว่าเรามักจะลืมความแก่ความเจ็บความตายที่มันจะตามมาต่อไปพรามาเจอความแก่ความเจ็บความตายเราถึงจะรู้ว่าเฮ้เรามาติดคุกนะั่นเรามาทนมาทุกข์ทรมานนะคุกที่เราอยู่นี้มันไม่ได้ให้ความสุขอย่างเดียวนะ มันให้ความทุกข์ที่แสนสาหัสทรมานถ้ายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายจะไม่รู้สึกหรือถ้ายังไม่มีการพัดภาคจากคนที่เรารักสิ่งที่เรารักเรายังจะไม่รู้ว่าเรากำลังติดคุกของความทุกข์กันอยู่แต่พอเราเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาจะร้องโอยจะร้องจ้าขึ้นมาเลยโอยทำไมปวดอย่างนี้ทาไมเจ็บอย่างนี้ เวลาเกิดการสูญเสียเกิดการพัดพลาดจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักไปนี่ถึงจะรู้ว่าโอ้ยนี่เรากําลังอยู่ในคุกเนี่ยวะแทนที่จะอยู่ที่ให้ความสุขกับเรามันเป็นคุกดีๆนีเ่เวลาที่ความทุกข์ไม่เกิดก็เหมือนกับว่าเรากําลังเที่ยวกันกําลังสนุกสนานกําลังท่องเที่ยวกันอยู่แต่พอเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา เกิะเจอการสูญเสียขึ้นมาสูญเสียทรัพสมบัติเข้าของเงินทองสูญเสียตำแหน่งสูญเสียรางวัลเนียนะคิดดนะูประกวดนางงามได้รางวัลที่หนึ่งอีกสองวันเข้ามาประกาศว่าคนนี้ทำผิดกฎเนี่ยต้องปลดออกลองไปถามนางงามที่ถูกปลดดูซิว่าจะสุขหรือจะทุกข์กันแนะนะ่นี่แหละคือ ทุกตารางที่เราอยู่กันความทุกเวลาเราอยู่ในคุกในในคุกในตารางนี้เราจะต้องเจอความทุกข์กันใช่ไหม จ, จึงไม่มีใครอยากจะอยู่ในคุกในตารางกันแต่ทำไมพวกเราจึงไปติดคุกติดตารางกันก็เพราะว่าเราไปทำผิดนั่นเองไปทำเหตุที่ทำให้เราต้องไปติดคุกติดตารางกันเราไปเราไปทาเราไปเกิดมีความโลภกันขึ้นมา มีความโกรธกันขึ้นมามีความหลงกันขึ้นมาถ้าเราทำะไรด้วยความโลภทำลายด้วยความโกรธทำลายด้วยความหลงมันก็จะพาให้เรามาติดคุกติดตารางกันนั่นเองเนี่ยนี่แหละเร้วพอพอพอร่างกายนี้ตายไปมันก็ย้ายคุกใหม่ย้ายจากอีกคุกหนึ่งไปอีกคุกไปเกิดใหม่อีกเนี่ยพอเราตายจากชาตินี้ไปเดี๋ยวดวงวิญญาณของเราก็ไปเกิดใหม่อีก ไปได้ร่างกายอันใหม่อีกเนี่ยเราก็จะย้ายจากคุกหนึ่งไปสู่อีกคุกหนึ่งเราย้ายคุกมานี่ไม่รู้กี่แสนล้านคุกแล้ะนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบเกี่ยวกับเรื่องของพวกเราทุกคนพวกเรานี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเป็นเหมือนคุกเป็นผู้ที่พาให้เราไปติดคุกติดตารางกัน ถ้าเรามีร่างกายเมื่อไหร่ปับ๊บเราก็จะต้องเข้าสู่คุกตารางทันทีคุกที่มีสี่กำแพงสี่ด้านคือเกิดแก่เจ็บตายผู้ที่ไม่ต้องการจะติดคุกติดตารางนี้ต้องไม่มีร่างกายต้องไม่ไปเกิดใหม่ผู้ที่จะไม่ไปเกิดใหม่ได้จําเป็นที่จะต้องหยุดการกระทาที่พาให้ไปเกิดใหม่ การกระทําที่พาให้ไปเกิดใหม่คืออะไรก็คือการกระทําด้วยความโลภความโกรธความหลงนี่เองจึงต้องชําระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจถ้าความโลภความโกรธความหลงหมดไปจากใจแล้วการกระทําก็จะไม่เป็นผลที่จะพาให้เราไปติดคุกติดตารางกัน ถ้าเรายังทําอะไรด้วยความโลภอยู่อยากได้เงินมากๆอย่างนี้ก็เป็นความโลภอยากได้ตําแหน่งสูงๆก็เป็นความโลภแล้วพอได้พออยากแล้วไม่ได้ก็เกิดความโกรธขึ้นมาก็ไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนอีกไปทำร้ายผู้อื่นไปทำร้ายข้าวของต่างๆก็ไปสร้างบาปขึ้นมาอีก นอกจากติดคุกของมนุษย์แล้วยังต้องไปติดคุกของของใจอีก เ, เวลาตายไปก็จะต้องเป็นดวงวิญญาณที่ไปติดคุกในอบา ย, เ, ยเพราะไปทำบาปด้วยความโกรธแด้วยความโลภอีกนี่ถ้าถ้าเรามากำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจได้ เ, เราก็การกระทำของเราก็จะ ไม่มีผลต่อการพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนี้ท่านไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วท่านไม่กลับมาติดคุกติดตารางเหมือนพวกเราอีกแล้วแต่ท่านท่านก็ยังมีการกระทําอยู่ท่านก็ยังไปหาอาหารมารับประทานใช่หไหมตอนเช้าพระพุทธเจ้าก็ออกบินทบาทพระอาหารหันตสาวกท่านก็ออกบิณทบาท แต่ท่านไม่ได้บินทบาดด้วยความโลภท่านบินธบาตตามหน้าที่ตามหน้าที่คือดูแลเลี้ยงดูร่างกายก็ไปเดินไปหาอาหารมีใครอยากจะให้อาหารก็รับไว้ถ้าไม่มีใครให้อาหารก็ไม่ว่าอะไรไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจทำตามหน้าที่ถ้าทำอะไร ด้วยความด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ทำด้วยความโลภความโกรธความหลงอันนี้มันจะไม่มีผลต่อการไปทำให้ไปติดคุกติดตารางได้นี่พระพุทธเจ้าพราะลานนี้ท่านไม่ไปติดคุกติดตารางอีกต่อไปเพราะท่านไม่ได้ทำอะไรด้วยความโลภความโกรธด้วยความหลงท่านทำด้วยเหตุด้วยผลพวกเรานี้ยังทำด้วยความหลงอยู่ เห็นในนั่นก็ดีก็อยากได้ขึ้นมาโลภขึ้นมาก็ไปเอาไปพยายามหาพยายามพยายามไปเอามาให้ได้ถ้าเอามาโดยวิธีที่ถูกต้องไม่ได้ก็เอามาโดยวิธีไม่ถูกต้องเช่นไม่มีเงินจะซื้อของที่เราอยากได้ก็ไปขโมยมาอันนี้ก็ไปทําบาปทําให้ต้องไปติดคุกติดตารางในอบายในโลกทิพ แล้วพาให้กลับมาเกิดอีกเพราะถ้ายังมีความโลภอยากได้ข้าวของเงินทองอยู่เดี๋ยวพอร่างกายนี้ตายไปก็จะไปหาร่างกายอันใหม่อีกเพื่อที่จะได้เอาร่างกายอันใหม่มาหาสิ่งที่เราอยากได้อีกดังนั้นถ้าเราทำอะไรด้วยความโลภด้วยความอยากแล้วมันจะพาให้เรากลับมาติดคุกของการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ต้องการจะกลับมาติดคุก ของการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องพยายามห้ามความโลภอย่าไปทำตามความโลภถ้าจะทำอะไรหาอะไรก็หาด้วยความจำเป็นหาได้อยู่เช่นถึงเวลากินอาหารก็หาอาหารมากินได้อยู่แต่ไม่หาอาหารโดยวิธีไปทำบา ด้วยวิธีทําบาปเพราะทําบาปไม่ว่าจะโลภหรือไม่โลภ ก, ก็ผิดเนี่ติดคุกติดตารางยังต้องกลับมาติดคุกติดตารางอยู่ดังนั้นถึงแม้ว่าจะทําหน้าที่ทําด้วยเหตุด้วยผลเช่นหาอาหารก็จะไม่หาอาหารโดยวิธีทาําบาปเนี่ยพระอริยสงสาวกตั้งแต่พระโสดาบันนี้ท่านจะไม่ไปหาอาหารด้วยการทําด้วยวิธีทําบาปเช่นถ้า ไม่มีเงินซื้ออาหารก็จะไม่ไปยิงนกตกปลามาเป็นอาหารอาหารแบบที่ไม่มีพิษมีภัยต่อผู้อื่นไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นคืออาหารเก็บผักเก็บหญ้าเก็บมากินเก็บผ ล, ลไม้มากินอะไรตำนองนี้อย่างนี้ไม่เป็นบาปไม่ทำให้ต้องไปติดคุกในอบายและไม่พาให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่ อ น, นี้คือพูดถึงเรื่องของจิตใจของพวกเราที่พวกเราไม่รู้จักกันเพราะจิตใจของพวกเรานี้ไม่มีรูปร่างหน้าตามีแต่ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยตอนนี้พวกเราใช้ความรู้สึกนึกคิดนี้ทำอะไรต่างๆโดยอาศัยร่างกายเป็นผู้ไปจัดหาสิ่งที่เราต้องการ พราะเวลาเราเห็นอะไรแล้วเกิดความรู้สึกสุขขึ้นมาเราก็จะคิดอยากได้ขึ้นมาเกิดความโลภขึ้นมาใชแล้วเราก็จะให้ร่างกายไปหาสิ่งที่เราอยากได้แล้วมันก็จะทําให้เราอยากได้ไปเรื่อยๆพอได้สิ่งนี้แล้วก็อยากจะได้มากกว่าเพิ่มขึ้นตอนต้นได้อันหนึ่งก็ดีใจ เดี๋สักพักหนึ่งอันหนึ่งไม่พอต้องสองอันเพิ่มไปเรื่อยๆต่อให้ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่มีความพอเพราะความโลภนี้มันมันได้นะมันไม่ได้ทําให้เกิดความพอความโลภทําให้เกิดความโลภเพิ่มเพิ่มมากขึ้นพอได้หนึ่งแล้วก็อยากจะได้สองได้สองแล้วก็อยากจะได้สามเห็นไหมข้าราชการต่างๆเนี่ยตอนต้นก็เป็นพนทหารฮ พอเป็นพนฐานก็อยากจะเป็นนายสิบเนะพอเป็นนายสิบแล้วก็อยากจะเป็นนายร้อยพอได้นายร้อยก็อยากได้นายพันพอได้นายพันก็อยากจะได้นายพนถ้ามีนายแสนก็อยากจะได้นายแสนต่อไปพอดีมันไม่มีให้แล้วมันก็เลยต้องเปลี่ยนอย่างอื่นพอได้นายพลก็ต้องเป็นจอมพลเป็นหัวหน้าของนายพอีกที ตอนเป็นหัวหน้าของนายพลแล้วทีนี้ก็ต้องไปเป็นหัวหน้าของนายพลของจอมพลอีกทีก็ต้องไปเป็นรัฐมนตรีเห็นไหมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมทีนี้ควบคุมนายพลทุกทุกหมู่หมู่เหล่าเลยควบคุมนายพลของทหารบกทหารเรือทหารอากาศก็ยังไม่พอต้องไปเป็นนายกอีกทีหนึง่งเป็นนายกทีนี้คุมหมดเลย พอเป็นนายกก็ยังไม่พออีกอยากจะเป็นหลายๆอยากจะเป็นหลายๆสมัยอยากจะไปอยากจะเป็นจนวันตายพูดยังไงถ้าเขาให้เป็นเป็นจนวันตายได้ก็อยากจะเป็นจนวันตายแล้วพอตายแล้วอยากจะไปไหนอีกรูกบ่าอยากจะไปสวรรค์อี ก, ก็สิไม่มีใครอยากจะไปนรกอีกนี่แหละคือธรรมชาติของความโลภมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีขอบไม่มีฝั่ง พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามหาสมุทรนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนมันยังมีขอบมีฝั่งมันไม่ขยายตัวเนี่ยแม้เราศึกษาภูมิศาสตร์มาเนี่ยมีทะเลมีทะเลต่างๆมันขยายตัวไหมมันกว้างใหญ่ขึ้นไหมมันไม่กว้างมันมันก็เท่าเดิมแต่ความอยากนี่มันมันไม่เท่าเดิมมันมีขยายไปเรื่อย สมัยเด็กๆเราใช้เงินวันละเท่าไร่ตอนนี้เราใช้วันละเท่าไร่พอหรื อ, อยังก็ยังไม่พออีกใช่ไหมถ้าได้อีกสองเท่าเอาไหมเอาแล้วพอได้สองเท่าแล้วถ้าได้อีกสี่เท่าจะเอาไหมเอาไม่มีคำว่าพอความอยากนี้มันจึงทำให้เราต้องกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆเพราะพอร่างกายนี้ตายไป ความอยากที่อยู่ในใจมันยังไม่ตายไปด้วยนั่นเองมันก็เลยเป็นตัวพาให้ใจของเรามาติดคุกติดตารางกันอีกอีกรอบหนึ่งมาติดคุกตารางของเกิดแก่เจ็บตายอีกรอบหนึ่งแล้วพอหมดรอบนี้ก็จะไปเกิดอีกรอบหนึ่งพอหมดรอบนั้นก็ไปเกิดอีกรอบหนึ่งไปเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาพบกับ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละไม่ว่าจะเป็นในพระไตรปิฎกหรือมาจากคำสอนของพระอริยสงสาวกท่านก็จะมาสอนให้พวกเราหยุดความอยากกันหยุดความโลภ ก, กันหยุดความโลภหยุดความอยากด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาอันนี้แหละเป็นตัวที่จะมาหยุดความโลภความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจ ถ้าเราทาทานได้รักษาศีลได้ภาวนาได้เราก็จะสามารถหยุดการมาติดคุกตล า, างของการเกิดแก่เจ็บตายได้นี่แหละคือประโยชน์อย่างมหาศาลของพระพุทธพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครจะรู้จะเห็นได้นอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมาช่วยให้พวกเราได้หลุดออกจากคุกตล า, าง ให้เราได้อยู่กันอย่างอิสระภาพอยู่อย่างคนนอกคุกคนนอกคุกกับคนในคุกนี้อันไหนดีกว่ากันถึงแม้จะให้อยู่เป็นขอทานนอกคุกก็ยังดีดีกว่าอยู่เป็นเศรษฐีในคุกนั่นแหละคือเรื่องของพวกเรากับเรื่องของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนที่ได้หนีออกจากคุกแล้วหลุดพ้นจากคุกตารางแล้ว แา้วท่านก็มาสอนวิธีให้พวกเราได้ออกจากคุกตารางถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพวกเราก็จะต้องติดคุกติดตารางต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดแต่พอเราได้มาพบ ก, กับพ ร, พระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสงสาวกเราก็จะได้รู้จากวิธีที่จะพาให้เราได้ออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายคือการทําทานนักษาศีลและภาวนานี่เอง ดั่างนั้นถ้าเราอยากจะมีอิสรภาพมีความสุขแบบคนที่ไม่ติดคุกติดตารางก็ขอให้เรามาทําทานมารักษาศีลมาภาวนากันเท่ากับเป็นการปีนบันไดกําแพงของคุกตารางนี้เองเนี่ยศีลทานศีลภาวนานี้เป็นเหมือนบันไดที่เราจะใช้ปีนข้ามกําแพงที่กักขังเราให้ติดอยู่ในคุกในตารางพอเรา ทำทางรักษาศีลภาวนาเราก็กําลังปีนขึ้นกําแพงพอเราทําไปเดี๋ยวเราก็จะไปถึงถึงยอดของกําแพงแล้วเราก็จะข้ามออกจากคุกจะออกจากตารางไปไดนะ้นี่แหละคือเรื่องของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เปียกเหมือนแสงสว่างแห่งชีวิตของพวกเราถ้าไม่มีพระธรรมคําสอนเราจะเหมือนอยู่ในที่มืด เราจะไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนกําลังจะไปที่ไหนแต่พอมีพระธรรมคำสอนนะเราก็จะได้รู้ว่าตอนนี้เรากําลังติดคุกติดตารางกันอยู่และเราจะติดไปได้เรื่อยถ้าเราไม่ทาตามที่พระพุทธเจ้าสอนคือทาทานรักษาศีลภาวนาถ้าเราทำนะั้เราก็จะได้ออกจากคุกไป น, นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราและอยากให้พวกเราเรียนรู้กัน พราะมีคุณมีประโยชน์กับพวกเราอย่างมากนั่นเองจึงขอฝากเรื่องพระไตรปิฎกไว้เพียงเท่านี้การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะลัง เอวเมวะอิโตุทินังเปตานังอุปกักปะติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสัมิจโตสัพเพบริยนโตสังกปา จันโทปนะราโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวจันตุสัพพโรโวินัสตุมาเตภวตุอันตราโยสุขีทีขายุโกภวา อภิวาทนาสีดิตสานิจังวุฒาปจายโนจตารโธมมมวะทานติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถาม <c oughs> ใครอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ ช่วงเดียวหลังจากเลิกแล้วก็จะไม่มีการถามเองถ้าอยากจะถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ทางบ้านมีเท่าไหร่ค่ะวันนี้จากเฟซบุ o กสามร้อยหกสิบสองยทสอง้อยเก้าสิบแปดวิดีออนไลน์ยี่สิบเอ็ดผู้รับฟังบนเขาสี่สิบสองรวมเจ็ดร้อยยี่สิบสามท่านค่ ะ, ะมีคําถามไหม ถ้ามีกระถามได้เลยเแล้วแต่มีคำถามวันนี้ไม่ใช่ถามไปก่อนนะถามไปก่อนเนี่ยค่ะคำถามจากคุณชุติมาตายไปเกิดบนสวรรค์ก็ไปบริโภว ก, กรรมทำให้กรรมสะสมไว้ในจิตเพิ่มขึ้นอีกใช่หรือไม่เจ้าคะอาตอนที่ไปบริโัคตอนนั้นไม่ได้สะสม เป็นการไปใช้ของเก่าที่ได้สะสมเอาไว้ตอนที่เราอตอนตอนที่เราอยู่บนโลกนี้เราสะสมะความสุขที่เกิดจากการทาบุญไม่ได้เป็นการบริโภคกรรมเป็นความสุขที่ได้จากการทำบุญจากการละการบริโภคกรรมทำให้เราได้เสพ ความสุขแบบละเอียดความสุขในสวรรค์นี้เป็นความสุขที่ไม่ได้เกิดจากการบริโภคกรรมเกิดจากการทำบุญคำถามต่อไปจากพี่คนดีการบวชเพียงเจ็ดวันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ตายไปแล้วผู้ตายจะได้ผลบุญนั้นหรือไม่เจ้าคะคงไม่ได้หรอกเพราะว่าบวชแล้วยังไม่ได้อะไร อยากให้อุทิศบุญไปถวายทานดีกว่าทำบุญทำทานนี้ได้ทันทีแต่บุญที่ได้จากการบวชนียากเหมือนกับปลูกต้นไม้กว่าจะได้ผลละไม้ออกมานี่ต้องใช้เวลานานคำถามจากคุณนิยามีสองคำถามคำถามที่หนึ่งเราก็คือดวงจิตวิญญาณความรู้สึกนึกคิด เกิดขึ้นในร่างกายใช่ไหมเจ้าคะถ้าร่างกายเกิดจากธาตุสี่แล้วดวงจิตวิญญาณเกิดมาจากอะไรเจ้าคะไม่ได้เกิดในร่างกายเพียงแต่มาเกาะมาขี่ร่างกายดวงจิตดวงวิญญาณเหมือนคนขี่มา้าร่างกายเป็นเหมือนมา้าคนละคนกันดวงจิตดวงใจผู้รู้สึกนึกคิดนี้ไม่ได้อยู่ในธาตุสีเป็นธาตุที่หา้าเรียกว่าธาตุรู้ ที่มาประกบหรือมาเกาะติดกับธาตุาาาสี่ทีหนึ่งพอธาตุสี่แยกสลายธาตุรู้ก็ต้องแยกไปหาธาตุสีใหม่อีกครั้งหนึ่งคําถามที่สองรู้สึกสับสนว่าความทุกข์กับความสุขคืออะไรทุกข์คืออะไรสุขคืออะไรทําไมเราต้องพ้นทุกข์ด้วยเจ้าคะ เ, า เ, วาเวลาเวลาร้องไห้น่สึกนึกทุกข์อยากจะพ้นจาก ความรู้สึกนี้ไหมนั่นแหละเวลาทุกข์มันกัดกินหัวใจมันทำให้ไม่มีความสุขอยากจะฆ่าตัวตายอยากจะพ้นทุกข์บางทีไม่รู้จักวิธีพ้นทุกข์ก็เลยคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วเป็นการพ้นทุกข์แต่มันเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้นเพราะตายแล้วก็ต้องไปตกนรกต่ออีกทีนะฉะนน เวลาเราสุขเราทุกข์เราทำไมจะไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็แสดงว่าบ้าเท่านั้นหรือคนเสียสติที่ไม่สามารถแยกความสุขจากความทุกข์ได้คาถามจากคุณจินขอบที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้เป็นรู้รู้ก็ไม่ได้เป็นเราเราไม่มีเช่นนั้นใช่ไหมครับเราไม่ได้บอกอย่างนั้นรู้ก็รู้เราก็เรานี่ เดี๋ยวจะหาว่าไม่มีเราเลย ว, ว่าฆ่าคนอื่นได้คำถามที่สองหากยังแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้ไม่ต้องมาคุยกันเรื่องเดินปัญญาแปลว่าการแยกธาตุแยกขันธ์นี้หมายถึงเป็นอนัตตาขั้นต้นใช่ไหมครับต้องศึกษานะถึงจะแยกได้ต้องรู้จักวิธีแยกธาตุแยกขันธ์แยกยังไงต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎก หรือจากป้าอริยสงสาวแล้วก็จะรู้วิธีแยกคำถามจากคุณเบญจวรรณดวงจิต ต้องไปรับผลของการกระทาของตนตอนตายแต่ทำไมถึงมีดวงวิญญาณเร่ร่อนในโลกทำไมมีปาฏิหาริสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหรือเจ้าคะในบางครั้งกิเลสก็พาหนูเดินตามหาคำถามนี้มันก็เกิดขึ้นเพราะมันเป็นความจริงเลยดวงวิญญาณก็เร่ร่อนบางทีเร่ร่อนเพราะว่าพ้นจากบุญพ้นจากบาป เลื่อนมาหาร่างกายอันใหม่ก็รอรับร่างกายอันใหม่ดวงวิญญาณที่เป็นขอทานก็เลื่อนมาขอบุญแต่แล้วดวงวิญญาณก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ได้ทําไว้หรือดวงวิญญาณบุญก็ไม่ได้ทําบาปก็ไม่ได้ทําะมันมีหลายชนิดด้วยกันมันถึงมีอะไรต่างๆที่ปรากฏให้เราได้รู้ได้เห็นกัน คำถามจะคุณปราโมทคำว่าตายก่อนตายหมายถึงอย่างไรครับก็ซ้อมไงซ้อมตายซ้อมตายอยู่แบบคนตายอยู่ได้ไหมคนตายก็อยู่ยังไงคนตายก็อยู่แบบไม่โลภไม่โกรธใช่ไหมกายจะด า, า, เ, ขาเขาเขาก็ไม่โกรธเห็นอะไรเ ข, เขาก็ไม่อยากได้ถา<อ> ง, งคนตายอยากกินข้าวไหมไม่กินนั่นแหละอยู่แบบคนตายให้หัดอยู่แบบคนตาย คื อ, อยู่แบบไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นศพคินอย่างนี้อยู่แบบศพศพมันไม่ขอร้องอะไรจากใครมันไม่ว่าใครไม่ไม่ด่าใครมันไม่เกลียดใครนั่นแหละอยู่หัดตายแบบใ ห, ให้ตายก่อนตายถ้าตายก่อนตายแล้วเราจะไม่มีปัญหากับใคร ใครจะด่าก็ไม่เป็นปัญหาใครจะชมก็ไม่เป็นปัญหาเอใครจะทําอะไรก็ไม่เป็นปัญหาแะ่พออยังไม่ตายนี่เป็นปัญหาไปหมดเนี <c> ่ย <oughs> คำถามจากคุณธนากรการจเจริญด้านปัญญาต้องทําอย่างไรจนก้าวล่วงข้ามปุตุชนครับอก็ต้องเห็นเนื้อร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ใช่ตัวเรา ตายแล้วถ้ายังไม่ได้หยุดความอยากมันก็จะพาให้ไปเกิดใหม่ถ้าทําบุญก็ไปสวรรค์ถ้าทําบาปก็ไปนรกไปอาบายจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามลูกอยากทราบว่าถ้าเราบอกผู้อื่นว่าเราจะทํ า, น อ, นาทอย่างน้นเราจะทําอย่างนี้แล้วเราทําไม่ได้เพราะมีเหตุผลแบบนี้ถือว่าผิดศีลข้อสี่คือพูดปลดไหมคะอา้าวก็ไม่ทําตามที่เราพูดมันก็พูดปดแล้วนี่ เมื่อเราไม่รู้ว่าจะทําได้ไม่ได้ไปบอกเขาทําไม ấy? ถ้าจะบอกก็ใส่คําว่าถ้าเขาไปสักคํำก็หมดเรื่องถ้าเป็นไปได้เอจะทําอย่างงั้นทําอย่างนี้มันก็ไม่พูดปลดแล้วอันนี้มันไม่ไ ป, ไปพูดว่าจะทําอย่างนั้นทําอย่างนี้มันก็แสดงว่าจะเอาจะจะทําจริงอสิแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าจะทําได้ไม่ได้ก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้เอออย่างนี้มันจะพูดอะไรก็พูดได้ seule. คำถามจากคุณพิทักษ์ในขณะที่กำลังอยู่ในช่วงทำจิตให้สงบนั้นรับรู้ได้ถึงสัญญาถึงสังขารที่เกิดที่ดับ และความง่วงที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลานั้นแต่จิตไม่ได้มีความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงพยายามรักษาให้จิตอยู่กับคําบริกรรมต่อเนื่องปรากฏว่ามีบางช่วงครับที่รับรู้ได้ว่าจิตมีความเบาสบายว่างจากสัญญาสังขารอารมณ์ต่างๆความง่วงนอนความง่วงนอนหายไปเลยกลายเป็นรู้สึกตื่นตัวเกิดขึ้นตอนที่จิตสัมผัสถึงสภาวะเช่นนี้เหลือแต่ตัวที่เด่นอยู่กับคําบริกรรมเพียงอย่างเดียวจะกําหนดให้อยู่กับความ ว่างโดยวางคำบริกรรมก็สามารถทำได้แต่สภาวะนี้รู้สึกได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแบบนี้เรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิหรือไม่ครับก็สั้นๆก็คณิกะถ้ายาวก็อัปปนามาถูกทางแล้วพยายามฝึกสติให้อยู่เรื่อยๆเวลาภาวนาก็ให้ภาวนาอย่าไปสนใจกับอะไรต่างๆเดี๋ยวจิตมันก็จะปล่อยวางแล้วมันก็จะเข้าสู่สภาวะของความว่าง เนี่ยนานๆจะได้ฟังผลจากการปฏิบัติอย่างนี้สักครั้งเนี่ยปฏิบัติจริงเนี่ยคนปฏิบัติจริงได้ผลจริงเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเอาเอาตัวอย่างนี้ไปไปเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของเราเนเอาจริงๆเนี่ยวันนี้ได้ฟังคำถามคำตอบวันนี้เรารู้สึกว่ามีกำลังใจว่ามีคนปฏิบัติได้อยู่ คนปฏิบัติแล้วได้ผลอยู่ไม่ใช่มีแต่ปฏิบัติแล้วก็นั่งคิดนูน่นคิดนี่มีแต่ความสงสัยเพิ่มขึ้นมาเต็มหัวใจแล้วก็ต้องมาระบายให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าต้องมาคอยตอบให้ฟังไม่ได้เรื่องเลยปฏิบัติแบบนี้สิเ้วจะไม่มีคำถามสันิติโก มันไม่มีคําถามเพราะธรรมของตัวเจ้านี้ต้องเห็นด้วยการปฏิบัติต้องพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติเห็นแล้วมันไม่ไปถามใครให้เสียเวลาคําถามจะคุณนิยาสังสารวัตรมีวันสิ้นสุดไหมเจ้าค่ะถามแบบนี้เองอะถามมันไปทําไมมันจะสุดไม่สุดมันมันเรื่องอะไรของเรา่ะถามเราดีกว่าว่าเรามีวันสิ้นสุดหรือเปล่า การเปยนว่าตายเกิดของเรามีวันสิ้นสุดหรือเปล่าถ้าอยากให้สิ้นสุดทําอย่างไรอย่างนี้ดีกว่าถ้าอยากให้สิ้นสุดก็ไปปฏิบัติทานศีลภาวนาไปคำถามจากคุณเอกชยัยการทําอานาปนาสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกช่วยให้มีสติดีใช่ไหมครับก็ก็เป็นการเจริญสติไงอานาปนาสติมันก็บอกแล้วออ ฝึกสติจเจริญสติโดยการดูลมหายใจเข้าออกคำถามจากคุณเบนจวานการที่เรามีเจ้ากรรมในเวรที่เราต้องการจะออกห่างแต่เขาก็หาทางติดต่อกับเราจนได้พอเข้ามาก็จิตตกควรทำอย่างไรเจ้าคะ่ะก็ต้องฝึกจิตพยายามหาหาธรรมะที่มาพยุงจิตไม่ให้ตกธรรมที่จะมาพยุงจิตไม่ให้ตกก็คือสติเอง ถ้ามีสติก็จะนำไปซสืออุเบกขาพอจิตไปอยู่ในระดับอุเบกขาเราก็จะไม่ตกเวลาเจอเจ้ากรรมในเวรก็จะเฉยเฉยไม่เดือดร้อนยิ่นพยายามฝึกสติให้มากหมั่นพุโทโธไปเรื่อยๆหยุดความคิดที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดพุดโทโธพุโทโธแล้วต่อไปเวลาเจออะไรมันจะไม่ตกมันจะเป็นอุเบกขามันจะเฉยปล่อยวาง คำถามจากคุณสุทธิสาวิญญาณาสัตว์ที่เสียไปเขาจะเปลี่ยนรูปร่างไปหรือไม่ครับมันไม่มีรูปร่างอยู่แล้วมันจะไปเปลี่ยนยังไงมันก็เป็นวิญญาณผู้รู้สึกนึกคิดที่เปลี่ยนก็คือความรู้สึกในจิตว่าสุขหรอทุกข์เนี่ยถ้าทำบาปไว้ก็จะมีความรู้สึกทุกข์ถ้าทำบุญไว้ก็จะมีความรู้สึกสุขเนี่ย อยู่ในจิตแต่จิตมันไม่มีรูปร่างหน้าตามันมีแต่ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยถ้าทำบุญมันก็จะมีแต่ความรู้สึกนึกคิดที่ดีทำบาปก็มีแต่ความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีเท่านั้นเองบทดแล้วเลยมีใครอยากจะถามไหมถามได้นะไม่เก็บตังค์แล้วก็ถวายของเชิญเข้ามา จำไม่ได้เคยเห็นหน้าใช่ไหมเคยเจอกันหรือเปล่าเคยครับนึกไม่ออกไม่รายงานตัวซะหน่อยเคยเจอกับหลวงพ่อสมัยที่หลวงพ่อรักแขอยู่ที่ก okay, ุติร์นะครับถ้วไปถามปัญหาธรรมเกี moi, really also, like, called, like mm ่ยวกับการที่จะลกามาราคะปฏิกัขั้นท้ายเลยอออตละได้ยัอย่างครับมัน มันยากอ่ะมันยากครัขั้นแรกๆเนี่ยมันงงครับอแต่พอไปเอขั้นที่ว่าจะเป็นละเอาจริงจริงจังๆเนี่ยมันเหมือนกับมันเล่นลูกอ่อลูโช่หลอกล่ออยู่เลยครับอือย่างนึกว่าไอตอนทําขั้นหนึ่งขั้นสองมันง่ายๆนะอืมพอไปเอขั้นกามคากรมลาคาปติฆาขั้นขั้นสุดท้ายเนี่ยโอ้มันยากแท้เลยอันนั้นต้องพิจารณาอยู่แบบตลอดเวลา ต้องมีอสุภะเห็นตัสุภะตลอดเวลาพอมันโผล่ขึ้นมาก็ต้องเอาเอาสุภะใส่มันเข้าไปเลยเขาขาดครับแล้วอย่างนี้ต้องสีลแปดตลอดสินแปดมันเป็นผลจากการที่เราคุมอารมณ์ได้ถ้าเราคุมอารมณ์ไม่ได้สินแปดมันก็ขาดได้ แต่มีศีลแปดไว้ก็ช่วยกั้นไว้ในส่วนหนึ่งถ้าไม่มีศีลแปลก็เปิดประตูกว้างเลยอันนี้อย่างน้อยปิดประตูไว้แต่มันยังดิ้นอยู่ในห้องได้มันยังดิ้นอยู่ในจิตได้แต่ถ้าไม่มีศีลแปดมันก็ดิ้นออกมาทางกายทางวาจาได้ในเบื้องต้นผมมองว่าปฏิฆาน่า น, นะละค่อนข้างงา่ายแต่เอาเข้าจริงแล้วการมราคะเนี่ย ผมว่ามันง่ายกว่าปฏิฆาเพราะปฏิฆามันแสงลึกอยู่ข้างในแล้วบางทีมันผุดขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวมันมาด้วยกันนเการมาราฆามันก็จะเกิดปฏิฆาขึ้นมาถ้าละการมาลาฆาได้ปฏิฆามันก็จะหายไปครับของท้องเองบูเอามันมาพอเกิดปฏิฆาต้องรีบเจริญการมาลาต้องเกินเจริญนัสุภาแเอวพอมันเริ่มเกิด สัญญาในสุภะขึ้นมาแล้วอยากจะเสพกามนะก็ต้องพิจารณาสุภะไปพอพิจารณาสุภะการมาราคาหยุดปฏิฆาก็หายไปที่มันบกแบบไม่หยุดนะทีพวกนี้มันแบบสู้ไม่ถอยเรามันต้องถอยมันอยู่เรื่อยๆต้องชนฝาสู้กับมันจนกระทั่งมันตายหมดนะ มีคำถามเข้ามาเอาเชิญหยิบได้นะมีหนังสือซีดีต้องการนขะองหลวงตาเนี่ยนะธรรมะชุดเตรียมพร้อมปติกเซีดีคำถามหมดแล้ ว, ลวเลยอ่ า, าอาเข้ามาต่อคำถามจากคุณสวนสมคิด กราบนมัสการครับหลวงพ่ออะไรเป็นสาเหตุหลักหรือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้หลวงพ่อตัดสินใจออกบวชและปฏิบัติธรรมจนถึงทุกวันนี้ทั้งๆที่หลวงพ่อมีโอกาสทั้งทางการศึกษาหน้าที่การงานที่ดีขอพระคุณครับก็ผลที่ได้รับจากการปฏิบัตินี่ลดแห่งธรรมชนะรดทั้งปวงพอปฏิบัติ ให้จิตสงบได้แม้จะเป็นเพ่งแค่งูแลบลิน้นมันก็จะเห็นความแตกต่างของความสุขในโลกนี้กับความสุขที่จะได้จากการปฏิบัติธรรมว่ามันเป็นเหมือนฟ้ากับดินลถแห่งธรรมชนะรถทั้งป่วงพอฝึกสมาธิทำจิตให้สงบได้เพียงแม้แค่ชั่วขณะเดียวมันก็จะรู้แล้วว่าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับความสุขแบบนี้ก็เลยสละทุกอย่างที่มีอยู่ได้ ไบว ด, ด้คําถามจากคุณพิมพ์อยากทราบว่าเวลานั่งสมาธิแล้วพอออกจากสมาธิเกิดน้ําตาไหลอาการนี้คืออะไรเจ้าคะก็ไม่ต้องไปสนใจก็ ร, รู้ว่ามันน้ําตาไหลมันทุกข์ก็เปล่าถ้ามันไม่ทุกข์ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรบางทีมาแรงเข้าไปเรียกว่ า, ามีความรู้สึกปิติมีความสุขน้ําตามันก็ไหลของมันไปตามเรื่องของมัน อั น, นี้ไม่เป็นไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอะไรเพรียงแต่รับทราบไว้แล้วก็ปล่อยมันผ่านไปคำถามจะคุณสมสุขทำอย่างไรเราจึงจะอยู่กับสมาธิได้นานๆเพราะว่าพอรู้สึกว่าสงบว่างแต่อยู่ๆก็ถอนออกจากสมาธิค่ะก็ใช้สติดึงมันเข้าไปใหม่พอมันจะออกก็พุโทโธพุโทโธใหม่เหมือนรถเนี่ยพอเหยียบคันเร่งมันก็วิ่งเร็ว พอผ่อนความเร่งมันก็วิ่งช้าลงพออยากจะให้มันเร็วก็ต้องเหยียบคันเร่งใหม่สติก็เหมือนตัวที่ทาให้จิตสงบหรือไม่สงบนะถ้ามีสติจิตมันก็จะสงบพอไม่มีสติเดี๋ยวจิตมันก็หายจากความสงบพออยากจะให้มันสงบใหม่ก็จเจริญสติใหม่พุทโธใหม่ดูลมใหม่ คำถามจากคุณมนรดีการนึกถึงแต่คำสั่งสอนของพระอริยสงฆ์สาวกถือว่าเป็นสังขานุสติกรรมฐานหรือไม่เจ้าคะนับถือเลยนึกถึงค่ะอขอโทษค่ะการนึกถึงก็เป็นเรื่องของสังขานุสติหรือธรรมานุสติก็ได้จากคุณใจใสเป็นบุญ เมื่อตอนพ่อแม่มีชีวิตอยู่ไม่ได้ตอบแทนพระคุณท่านเลยแล้วเวลานี้ท่านเสียไปแล้วเราจะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ได้อย่างไรคะทำบุญใส่บาตรทุกวันใส่บาตรทำบุญทุกวันอุทิศบุญให้พ่อให้แม่ทุกวันหมดแล้วเลยไม่มีใครถามอีกแล้วนะถ้าไม่มีก็เอาแค่นี้